ทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาแล้วไม่ประวาราณาต่อภิกษุสงฆ์ในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิกเขปะสมุดฐานและ